คือเหตุการณ์ที่เครื่องบินพุ่งเข้าชนตึก World Trade เมื่อที่กรุงนิวยอร์กนะแล้วก็ไปชนตึกเป็นตบก้อนของกระทรวงกลาโหมนะที่วอชิงตันที่เราคงได้ดูจากภาพข่าว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 มันนำไปสู่ปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายเกิดสงครามในอัฟก า, านิสถานเกิดสงครามในที่โน่นที่นี่ตามมาจริงก็เป็นเรื่องของโลกนะที่หนีปัญหาแบบนี้ไม่พน้นก็เป็นเรื่ององการจองเวรกัน พอจองเวรกันแล้วมันก็ไม่จบไม่สิน้นอันนี้คือเหตุที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเรื่องการไม่จองเวรเพราะวาเวรย่อมไม่อาจระงับด้วยการจองเวรได้แล้วคือเหตุผลที่เราชอบพุทธเจริญเมตตาด้วยการ แผ่เมตตาอย่างที่เราพึ่งาสาธยายกันเมื่อกี้นี้จริงเหตุการณ์สิบเกันยายนมันก็พูดกันได้หลายแง่หลา ย, ายมุมแต่ก็จะแต่ก็มีบางแง่มุมที่ไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่อันนั้นก็คือเรื่องของความ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 ความขัดแจ้งระหว่างนิกายสุนิชอาใ น, ในอิรักก็เหมือนกันนะคนเราพอมีความยึดติดถือมั่นในาศาสนาของตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมองคนนิบถือาศาสนาอื่นเนี่ยว่า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 ทำลายกันได้าศาสนาพุทธอาจจะไม่มีเราบางจะพูดกันว่ า, าศาสนาพุทธไม่มีสงครามระหว่งางศาสนาหรือว่าสงครามที่เกิดจากความต้องการเผยแพร่าศาสนาแต่ที่จริงก็ไม่ถูกนะเพราะว่าตอนที่ญี่ปุ่นไปลุกลานในจีนในแมนจูเรียก็ พระโธประสงค์อันเื่อคือต้องการเอาศาสนาพุทธที่บริสุทธิ์ไปให้แก่ประเทศจีนในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองก็มีความคิดแบบนี้ว่าศาสนาพุทธในจีนมันไม่บริสุทธิ์ไม่ไม่ถูกต้องก็ต้องเอาศาสนาพุทธที่บริสุทธิ์กว่าไปให้ในชาวพูทธในญี่ปุ่นก็ เรียลายเงินกันเพื่อซื้ออาวุธเพื่อซื้อเครื่องบินไปทําสงครามในประเทศจีนมีการเขียนคำพีเขาเชื่อว่าการเขียนคำพีนี้เป็นการทําบุญเขียนคมพีเพื่อที่จะส่งอุทิศส่วนกุศลหรือส่งบุญไปให้กับทหารเพื่อจะได้ไปทําสงครามในจีนเอาศาสนาผู้ที่ถูกต้องไปให้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 เห็นด้วยกับการทำลายผู้บริรสุทธิ์ศาไซสลามแค่เห็นด้วยกับการทำสงครามเพื่อปกป้องตนเองอันนี้ก็มันก็เชี้เห็นว่าบางทีไอ้ความยึดติดถือมั่นในาศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญา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 นะแย่งชิงปนสะดมกันอันนี้เราทำด้วยความโลภแต่ว่าอุปทานคือความยึดติดถือมั่นในทิฏฐิความเห็นก็น่ากลัวพอๆกันแม้แต่ยึดติดความนยึดติดถือมั่นในความในศาสนาในพระเจ้าซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็สามารถที่จะทาให้ตัวเองทุกข์แล้วก็คนอื่นทุกข์ด้วย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 ยึดติดถือมั่นในนิพพานก็ไม่ถูกต้องนะก็ทําให้เป็นอุปสรรคขวางการพันนิพพานโดย้ํายิ่งความยึดติดถือมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตวาทุปาทานนะก็ยิ่งอันตรายนะเพราะว่ามันทําให้เกิดมานะว่าฉันดีฉันถูกนะนะฉันเป็นนักปฏิบัติธรรม อยามาว่าฉันฉันเป็นอาจารยนะ์ต้องเชื่อฟังฉันฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่อันนี้ก็เคยพูดมาแล้วก็นี้นอกจากเรื่องของอุ ป, ปทานอย่างที่พูดไปแล้วนะว่าเหตุการณ์เสบกัญญาเนี่ยมันชี้เห็นโทษของที่ถูกปาทานว่าแม้แต่ความคิดความยึดติดถือมั่นว่าฉันทำเพื่อพระเจ้าเนี่ย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 ความสามารถที่จะทำลายล้างสูงมากพเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับระเบิดที่ยังไม่ถอดสลักนะคือยังมีโทสะที่พร้อมจะระเบิดออกมานะกลายเป็นการข่มเหงคะแนร้ายต่อกันได้แต่ละคนแต่ละคนนี่น่ากลัวยิ่งกว่าปืนหรือมีดได้สําอย่างเหตุการณ์เส็จกัญญานเนี่ย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 คนที่เป็นทุกคนแรกจากการแช่งชักหักกระดูกไม่ใช่ใครที่ไหนคือเรานั่นเองเราแช่งเขาให้เขาตกนรกนะแต่เราเองต่างหากที่ตกนรกเป็นคนแรกแล้วนะเขาไม่รู้ด้วยเขาว่า จ, จะยินได้ซ้ำที่เห็นเราโกรธหัวฟาหัวเบี่ยงนะและยิ่งแสดงความโกรธออกไปเนี่ยก็ยิ่งไม่ถูกต้องเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันยิ่งทําให้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 พอเกิดเหตุการณ์สิเตัญยาขึ้ น, นฝ่ายอเมริกาก็ต้องการแก้แค้นแล้วก็ไปทำสงครามในในอัฟกานิสถานแล้วก็ไปหาเหตุไปทำสงครามในอิรักเพื่อจัดการโค่นล้มพวกผู้ก่ อ, อ ก, การร้ายแต่สุดท้ายก็ทำ้ายผู้บริสุทธิ์ไม่ต่างจาก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 หากท่านมีจิตแปรผันจิตแปรผันคือจิตโกรธเงี้ยนะหรือว่ากล่าววาจาชั่วยอยาบแสดงว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของเราเพราะว่าท่านไม่อดกลั้นนะต่อผู้ที่ทำร้ายท่านพระพุทธองค์ท่านสอนขนาดนี้แม้ว่าที่ท่านสอนนี่จะสอนกับพระนะแต่ว่าที่จริงชอบพุทธเราก็ต้องนําไปพิจารณาด้วย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 คันติวาตีนี่ก็คือพระโพธิสัตว์คันติวาทีนี่ก็เป็นเป็นเป็นเป็นนักบวชที่คนนับถือมากแม้กระทั่งพระมเหสีของกษัตริย์องค์หนึ่งก็นับถือคันติวาทีจนทางพระราชานเนี่ยอิจฉาอิจฉาว่าคันติวาทีนี้ได้รั บ, รบอ่า ความนับถืออาจจะมากกว่าตัวเองด้วยมั้งก็เลยต้องการที่จะแก้แค้นแก้แค้นด้วยการทดสอบคือเอามาจับมาแล้วก็มาท ร, รมานเพื่อจะดูว่าท่านเนี่ยมีคันติจริงหรือเปล่าดีจริงอย่างที่ใครเขานับถือจริงหรือไม่ทยังไงก็มาทรมานตัดมือ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 ตอนนี้เนี่ยมันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้การจองเวรเนี่ยมันจบสิน้นน่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เยอะนะเรื่องราวของของพญาพญาลิงที่ช่วยคนคนหลงทางวคนที่หลงทางในป่าแล้วก็ไปตกในช่องน้นผาพญาลิงก็ลงไปช่วยตัวใหญ่มากนะพญาลิงเนี่ยปีนเถาวันแล้วก็ไปให้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 พอลุกขึ้นมาก็บอกว่าทําไมท่านทําอย่างนี้นะเราอุตส่าห์ช่วยท่านขอท่านจะได้ประสบคราะกรรมจากบาปกรรมที่ท่านทําไว้เลยนะและพูดอย่างนี้นะว่าขอท่านจะได้ประสบกับบาปกรรมที่ทำได้ท่านได้ทําไว้แม้กระนั้นก็ยังรับที่จะพาะคนคนนี้เนี่ยพาไปให้พ้นเขตป่าแล้วพา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 ท่านเห็นเสือแม่เสือเนี่ยมันหิวมากแล้วมันก็เลยจะกินลูกน้อยของตัวความหิวบางทีก็ห้ามไม่ได้นะพระโพธิสัตว์ท่านเห็นแล้วก็สงสารเสือน้อยก็อยากช่วยชีวิตเสือน้อยไว้เสือน้อยก็ลูกเสือเนี่ยนนะ๋ยวช่วยช่วยลูกเสือไว้ก็เลยยอมอุทิศตัวเองให้เป็นอาหารให้กับแม่เสือ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 ก็ต้องตั้งสติไว้ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความจริงคืออะไรแล้วก็ได้ระลึกถึงคําสอนของพุทธเจ้าว่านะความนะความโกรธความเกลียดนั้นเนี่ยมันมันมีแต่ทําให้เราเนี่ยห่างไกลจากความเป็นชาวพุทธนะคนเรามีเหตุผลที่จะเกลียดได้คนเรามีเหตุผลที่จะโกรธได้แต่ก็ไม่หมายความว่าเมื่อโกรธเมื่อเกลียดแล้วก็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 คนผิดมีสิทธิ์เป็นศูนย์เพราะนั่นจะทำไงกับมันก็ได้คิดกันแบบนี้กันทั้งโลกเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้ผู้ก่อการเนี่ยก่อการลายนี่เอาเครื่องบินไปถล่มเพื่อฆ่าผู้บริสุทธิน์นะก็เห็นว่าผคนนั้นเป็นคนชั่วเป็นคนเลวสมควรตายมันต้องระวังมากนะเดี๋ยวนี้คนทั่วไปก็คิดแบบนี้นคนผิดมีสิทธิ์เป็นศูนย์ เหตุการขัดแย้งเหตุการณ์ประทวงกันเมื่อหลายเดือนก่อนนะที่มันรุนแรงเพราะต่างคนนอกจากมีที่ถูกปาทานมีความยึดติดถือมั่นในความเชื่อของตัวแล้วจนกระทั่งมองอีกฝ่ายนึ่ว่าเป็นคนผิดแค่นั้นไม่พอพอมองว่าอีกฝ่ายน่เป็นคนผิดแล้วเนี่ยก็คิดต่อไปว่าคนผิดเนี่ยสมควรตาย